ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10มกราคม2552มีชื่อเรื่องว่าเสนามากขี้กาวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นสิบห้าคำเดือนสองตรงกับวันที่สิบมกราห้าสองทุกวันพระก็ขอให้พวกเราญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุสูงอายุเขาว่าสูงอายุหนึ่งเท่าไหร่ถ้าเป็นส่วนราชการเขาก็ว่าหกสิบแปลว่าปลดระหว่างกเกษียณอายุ อันน่้นก็คงจะพอเหมาะถ้าเป็นชาวบ้านของพวกเราก็คงจะคิดลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะคนที่อายุหกสิบเนี่ยต้องมีลูกมีหลานช่วยหน้าที่การงานแล้วก็พร้อมที่จะหันหน้าหาหนทางของตนเองคือคุณงามความดีหันหน้าเข้าสู่ศีลธรรม การปฏิบัติธรรมต้องมีจุดยืนการปฏิบัติธรรมต้องมีจุดยืนต้องเชื่อมั่นต้องไตรตรองด้วยปัญญาของตนเองไตรตรองด้วยเหตุและผลศึกษาค้นคว้าแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลสินธรรมของพระพุทธเจ้า หรือคําพูดของครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังมีเหตุมีผลไหมหรือฟังแต่สักว่าฟังฟังเป็นครั้งครั้งฟังเป็นคราวๆแล้วก็ศึกษาในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจุดยืนเขาว่ายังไงก็ไปตามเขาเพราะเขาเป็นผู้พาว่าคนโบราณเขาว่า เ, เสนามคขีกา คือไม่มีจุดยืนพวกเราคงจะเคยเห็นในสมัยเด็กๆเขาเล่นลิเกเขาเล่นมลําหมู่มีการละเล่นเขาจะมีตัวพยามีตัวขุนพลแล้วกระทุกมีตัวเสนาถ้ามีขุนพลก็ต้องมีเสนาตามหลังเหมือนกันพอเสนาตามหลังขุนพลเป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่า ก็สั่งลูกน้องสั่งเสนาปะสมัยก่อนมันเป็นสมัยโบราณใช่ไหมละ่ะสมัยโบราณเขาเรียกว่าเขาใช้ศัพท์ภาษาฝักกูมึงเหมือนกันแหละเอาก็สังลูกน้องว่าถ้ากูว่ายังไงให้สูว่าตามนั้นนะก็จับบรลเพชรเท้าบริเพชรขึ้นมา นี่นะข้าววานบอระเพ็ดนี่หวานนะหวานไหมหวานทั้งที่มันขมจนพอแรงแล้นพอจับอ้อยขึ้นมามาเคี้ยวนี่นะข้าวว่าอ้อยเนี่ยมันขมนะเนี่ยขมไหมขมคล้ายๆหัวหน้าว่ายังไงก็ว่าตามหัวหน้าไม่มีจุดยืนของตนเองเซนามัคกีกา เพราะนั้นพวกเราให้คิดดูกันแล้วกันว่าคนโบราณเขาสอนคนสอนคนให้มีความคิดสอนคนให้ใช้ความคิดสอนคนให้ใช้ปัญญาไม่ใช่สอนให้เป็นผู้ตามเท่านั้นถ้าตามแล้วก็เหมือนกับควายสนทภายแล้วก็จูงตามหลังเดินตามหลังเพราะสนทภายอันนี้คนโบราณเขาไม่ให้เป็นอย่างนั้น ในลักขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้การวิเคราะห์หลักเหตุและผลไม่ใช่ว่าเจ้านายเป็นผู้ว่าอย่างไงลูกน้องก็ว่าตามอย่างนั้นโดยมากทุกวันนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเขาเห่ยยังไงเขาเห่ยไปตามยิ่งสื่อประโคมข่าวเห่เขา้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห่ตามอกีกแต่ตามไม่จริงเราต้องฟังเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมี เรื่องสองดีไหมไม่ดีถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมันมีมันมีอยู่สองอเพราะนั้นเราต้องเอาสองอย่างนั่นมาหักลบกบหนี้กันมันเป็นยังไงแล้วมันออกบวกออกมาแล้วมันเป็นเท่าไหร่เสียหายกับได้กัเสียหายนั่นมาบวกใส่กันดูก่อนมันได้กำไรขาดทุนยังไงถ้ามันขาดทุนน้อย เงี้นดมันก็พอทําเราถ้ามันขาดทุนมากเราก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลอีกเพราะนั่นหลักการอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีต้องอยู่ด้วยหลักเหตุผลอ่าไม่ใช่อยู่ด้วยแบบเสนามักกีกาเขาว่าอยังไงก็ว่าตามเขาเขาว่าขมทั้งที่อ้อยมันหวานเขาว่าขมหัวหน้าว่าขมผู้ใหญ่ว่าขมก็ว่าขมไปตาม พรตัวเองไม่มีอํานาจวาสนาถ้าตัวเองไม่ว่าตามเขาก็กลัวเขาไม่ให้รางวัลไม่ให้เงินไม่ให้ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ให้หน้าที่ตําแหน่งพราะนั้นเขาว่าขม่มเราก็ต้องว่าขมไปตามเขาไม่มีจุดยืนลักษณะนี้ไม่มีจุดยืนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพุทธ ผู้ให้ใช้ความคิดต้องไขควรทบทวนพระพุทธเจ้าถามท่านพระสารีบุตรท่านสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปเนี่ยบอกไปนี่ท่านเชื่อไหมพระสารีบุตรทั้งที่ท่านเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสุดซึงท่านก็บอกว่าอย่างพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังยังไม่เชื่อก่อน เพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไป ป, ปฏิบัติ ด, ดูถ้าถ้าหาว่าข้าพระ อ, องค์ได้นำทำคํา ส, สอนของพระ อ, องค์ไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วข้าพระ อ, องค์จะกราบทูกลกราบเรียนพระเจ้าค่ะคล้ายๆก็คําพูดใดก็ตามยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ด, ดูก่อนยังไม่เชื่อเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นกลางกลางก่อนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ยังเอาไว้เป็นกลางกลางก่อน จนกว่านำไปประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าผู้มีอำนาจฟาสนาเหนือกว่าพูดอะไรก็เชื่อทั้งหมดพระพุทธองค์ก็ไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนให้ฟังเอาไว้แล้วก็ศึกษาไขาควรทบทวนเหตุและผล ที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนมนานมาสักรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนมนานพอเขาพูดเข้มากบอายเขาว่าคนแก่คนมาวัดมาว่าคนคือคนล้าสมัยอายเขาเราจะไปอายเขาทำไมเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายที่ตรงไหนเราเองเป็นผู้องค์อาจกล้าหารเราไม่ได้ทาความชั่วเสียหายทั้งหมด สูเจ้าทั้งหลายกินเหล้าเมาญาอัมบายมุกทุกประเภทหัวลาน้ำไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะเอาเข้าคุกเข้าตารางเราจะมาดูถูกเหยียดย้ำที่เราประพฤติปฏิบัติ ด, ดีได้อย่างไรนั่นแหละเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดเพราะเราทำคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเราทำความชัว่วออ น, นั้นน่ากลัว น่ากลัวเพราะเหตุใดเพราะความชั่วนั้นอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องโผมันจะต้องผุดขึ้นมาจากนั้นเขาจะคุยเขียขึ้นมาแล้วเกิดจากนั้นก็เข้าคุกเข้าตารางไปได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทาของพวกเราสิ่งที่มันไม่ดีย่าทำทาแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเราให้ใช้สติใช้ปัญญา ใช้การศึกษาค้นคว้าดูหลักพระธรรมวินัยประสิทธิธรรมของพระพุทธเจา้าท่านมีมีคุณค่าอย่างไรที่ท่านสั่งสอนพวกเราตั้งแต่สีนท้าอย่างนี้สิ่ท้าประการถ้าวัดเสนามัคกีกามผู้มีอำนาจเหนือกว่าเอ้ยฆ่ามันเลยไม่เป็นไรขโมยเลยไม่เป็นไร ลูกเมียใครภรรยาของใครเออเออเออลุยแหลกเลยไม่เป็นไรโกหกไปเลยไม่เป็นไรกินเหล้าไปเลยไม่เป็นไรถ้าเราเป็นเสนามเคลกากะใช่ใช่แต่ถ้ามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วหลักธรรมคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลการฆ่ากันฆ่าเขาฆ่าเราล่ะ ขโมยของเขาของเราละ่ะสามีภรรยาลูกของ ข, ของไข่ของเราละ่ะเขารักไหมโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นละ่ะเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเราละ่ะกินเหล้าเมาขาดสติละ่ะมันจะดีที่ตรงไหนพิจารณาดูด้วยหลักเหตุผลแล้วเพราะฉนั้นเราต้องมีจุดยืนในการเป็นอยู่ของพวกเราอย่าเป็นไม้ปักขี้เลนอย่าเป็นเสนาหมาขี้กา เขาว่ายังไงเขาว่าตามเขาไปเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะต้องมีจุดยืนสรุปแล้วให้เชื่อกลํมให้เชื่อผลของกลํมกลัมคือการกระทำทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นอันนี้คือสรุปแล้วคือที่พูดมาทั้งหมดนี่จัดเป็นหมวดศิล หมวดศีลคือรักษากายวายาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลส่วนหมวดธรรมนั่นก็คือภาคปฏิบัติจิตภาวนาของพวกเราจิตภาวนาเนี่ยก็คือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งไม่ทาจิตม่ให้ปุงฟุ้งซ่านยึดกรรมาฐานใดกรรมาฐานหนึ่งที่หลวงพ่อได้พูดมามากต่อมากกรรมาฐานสี่สิบอย่าง อ, อันใดอันหนึ่ง ทำจิตให้สงบไม่ให้ปุงถ้าคนมีจิตใจปุงฟุ้งซ่านแล้วนั่นแหละเสียสูย์ได้ง่ายๆเขาพูดอะไรเขาแนะนำอย่างไรเป็นเสนามมกคิกาได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าเรามีจุดยืนมีหลักยึดเขาพูดอะไรออกมานำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาเขาพูดอย่างนี้มันถูกไหม พูดอย่างนี้ถูกจริยธรรมไหมศีลธรรมไหมถูกตามคดีโลกไหมคดีธรรมไหมคดีโลกก็คือกฎหมายคดีธรรมก็คือแนวความคิดไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้มีฮิลิคือความละอายโอตรปะปาคือความกลัวต่อบาปถ้าเราไปทำสิ่งที่มันไม่ดีทำที่ไหนมันก็ไม่ดีในที่รับที่แจ้งเมืองนอกเมืองนาก็มันก็ไม่ดีเพราะทาไม่ดี เหตุใดทำดีแล้วอยู่ที่ไหนทำดีดีหมดเพราะฉะนั้นดีกับชั่วน์เป็นยังไงถ้าเป็นภารชนคนพานแล้วก็สรรเสริญในการทําความชั่วแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วก็สนรเสริญในการทําความดีการทําคุณงามความดีนําสุขมาให้นะแต่คนพาภารชนเขาว่าเอา้าทำความชั่วเนี่ยร่ลำรวยนะคดโกงป้นที้ขโมยไปเลยร่ลำรวยนะ แต่คนผู้มีปัญญาที่คนเป็นนักปราชญ์ถึงจะร่ำรวยกับเถอะแต่กรรมชั่วนั้นจะต้องเผาผลาญเมื่อภายหลังถึงจะร่ำรวยภายนอกแต่จิตใจนั้นเราร้อนหาความสงบผาสุขไม่ได้นะนี่แหละปราชญ์กับภาละชนเนี่ยมันเดินไปคนละเชนทางกันเพราะ น, นั้นพวกเราทุกท่านนะภาละชนกับปราชญ์ไม่ใช่อยู่ที่ ท, ท, ที่ไหนถ้าย่นย่อเข้ามาสู่ ตัวเองแล้วก็คือใจของเราเนี่ยถ้ามันคิดไปในทางชั่วอันนี้เราภาลชนถ้าคิดไปในสู่คุณงามความดีคิดสร้างสรรค์คิดสู่คุณงามความดีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติทํำให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติพ่อแม่มีศีลธรรมมีจริยธรรมมีฮิลิโอตตาปะมีศีลห้าอยู่ในตัวนั่นแหละเป็นปราดถ้าคิดไป ออกนอกลูกนอกทางคิดเที่ยวเตะเล่ร่อนอบายามุกทุกอย่างคิดอยากจะทำคิดอยากจะสนุกคิดไปตามตามทำตา ม, ตามอำเภอใจของตนเองแต่ไปในทางต่ำอันนั้นเรียกว่าจิตที่เป็นภาละชนจิตที่เป็นผ่านไม่ต้องหาที่อื่นนะอยู่ในตัวของเราเนี่แหละมันมีสองในตัวของเราในใจของเราเน่มีสองแต่เราจะฟังทางไหนทะเนี่ยเราจะฟังฟังทางดี เราจะฟังทางปาดหรือเราจะฟังทางพารชนถ้าเราฟังพารชนก็จมดิ่งลงไปเรื่อยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสงเป็นสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความชั่วนั้นหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรรักษาดูต้นตอของมันอย่าให้มันเกิด พยายามอย่าให้มันเกิดคุณงามความดีก็ดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วคุณงามความดีบุญกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรส่งเสริมควรติดตามควรปลูกเพราะพืชพันธุ์ให้เจริญมากๆขึ้นไปนี่แหละมันอยู่ในใจของเราถ้าดูแล้วเพราะฉะนั้นให้พวก เราศรัทธาญาติโยมทุกคนนะให้ภาวนาเนี่ยนะถ้าภาวนาถ้าจิตใจสงบแล้วจิตใจจะมีหลักจิตใจมั่นคงจิตใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตใจเมื่อสงบแล้วจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญถ้าเราพวกเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยมีแต่ความเชื่ออย่างอื่น คนที่มีวาทที่เหนือกว่าความรู้ที่เหนือกว่าการโน้มน้าวหาหลักเหตุผลแบบข้างๆคู่ๆแบบทางโลกเข้ามาโน้มน้าวเราเราไรจุดยืนเราไม่มีจุดยืนใจของเราไม่หนักแน่นใจของเราไม่มีเหตุผลใจของเราไม่ได้ศึกษาค้นคว้าในหลักเหตุผลพอเขาพูดไปมันก็โน้มเอียงไหลไปตามเขาเหมือน เป็นเสียนาหมักขีกาอย่างที่ว่านั่นนะเขาว่ายังไงก็ว่าไปตามเขาแต่ทางที่ถูกต้องแล้วบางคนก็สำนึกได้ทีหลังโอ้ตายเราเสียรู้เขาไปแล้วทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าถูกแต่เราเสียรู้ไปแล้วพราะเราขาดการยั้งคิดในจุดนั้นเพราะเหตุไดสรุปแล้วก็คือขาดการได้ยินได้ฟังขาดการศึกษาขาดการไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของตนเอง ักขาดหลักจิตขาดหลักใจขาดหลักธรรมะในจิตใจเพราะนั้นหลักธรรมะเนี่ถ้าอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทางหลายแล้วนั่นแหละใครจะพูดอะไรก็ไม่หวั่นไหวไกวแกว้งไปตามเขาเพราะเหตเุใดเราเห็นอยู่แล้วถึงจะร่ารวยเออร่ำรวยถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะเออยินดีเพราะเป็นความรู้ความฉลาดของเขาเองเขามีความสามารถจริง เขาจึงสาะแสวงหาทรัพย์ได้เอออันนี้ก็คือเรายอมรับเพราะการกระทําของเขาหรือการสอะแสวงหาทรัพย์ของเขานั้นเป็นไปด้วยธรรมเป็นไปด้วยสติปัญญาของเขาเป็นไปด้วยความรอบคอบของเขาคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้อันนี้ถูกต้องถ้าว่าเขาทําไม่ถูกเขาโคดเขาโกงเขาพ่นเขาจี้เขาเบียดเขาบังเขาเล่นการพนันป้นจี้ คนอื่นเข้ามาเราพิจารณาดูแล้วอืมอันนี้ไม่น่ายินดีเพราะว่าการกระทําของเขาเนี่ยการส่อแสวงหาทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องมปการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเป็นทางที่ไม่ถูกต้องที่เขาส่แสวงหาทรัพย์สมบัติถึงจะได้มามากกว่าเธออันนี้คือความไม่ถูกต้องเราไม่น่ายินดีเราไม่ยินดีกับการกระทําของเขา เพราะเหตุไรเพราะเป็นวนทางนารกชัดๆถ้าทำอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาถ้าใครทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะต้องพาเขาไปตกนรกหมกไหม้ไปตกทางต่ำเพราะเหตุไรเพราะการกระทำของเขาไปในทางที่ชั่วเราไม่ยินดีนี่แหละคนมีหลักจิตคนมีหลักใจต้องมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราให้หาหลัก จิตหลักใจเข้าสู่ใจของตนเองให้เป็นคนมีเหตุผลจะคิดจะพูดจะทำต้องมีเหตุผลถ้าคนมีเหตุมีผลแล้วอยู่นสถานที่ใดก็มีความสงบปล่มเย็นเป็นสุขลึกๆถึงจะจนก็จนมีความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานสาวกท่านอยู่ในป่ารงพงไพ่ถ้าว่าท่านมีขึ้นมาอ้าวก็มีใช้ใจใช้สอยถ้าไม่มีขึ้นมาอา้าว ไม่มีก็ไม่มีท่านก็อยู่แบบไม่มีอยู่แบบจนพอประทังชีวิตเป็นวันวันไปท่านก็ไปอันนี้ก็คืออยู่แบบพระนะแต่อยู่แบบฆราวาสอย่างพระนั่นก็คงไม่ได้เรามีไม้มีมือมีเครื่องไม้เครื่องมือเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้การทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความหมั่นขยนันอดทนอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายในการาะแสวงหาทรัพย์ แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะพูดยังไงก็ตามเรื่องการเป็นอยู่การส่แสวงหาทรัพย์หรือการส่อแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขภายนอกอันนั้นเป็นทิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านหามาแล้วท่านรู้มาแล้วท่านได้มาแล้วมันมีแต่มันจะหลุดไม้หลุดมือออกไปเรื่อยๆมันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงในหาที่ใจ ที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยอยู่ที่ป่าในป่าทั้งหกปีเนี่ยคนน้นคว้าศึกษาอยู่ที่ใจเนมันอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใ จ, ใจเป็นหัวหน้าใจจะต้องได้รับรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะนั้นสุขและทุกข์มันออกไปจากใจมันออกมาได้ยังไงมันทําได้ยังไงมันคิดได้ยังไงอมันเป็นไปได้ยังไงพระองค์ไปศึกษาคนา้นคว้าจากนั้นท่านก็ รู้ต้นเหตุแห่งสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดนั่นคือจากตัวไหนการมัฏหาภวะฐานหาวิภวะฐานหานี่แหละเหตุให้ทุกเกิดจากนั้นพระองค์ก็ค้นหาต้นตอของทุกข์ที่มันเกิดออกมาจากก า, มารมัฏนหาภวะฐานหาวิภวะฐานหานจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของพระ อ, องค์ให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลาย ใจิตใจพวะ อ, องค์กรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการนีนิพพานเที่ยงหลวงตามหาบัวท่านพูดให้ฟังนะว่านิพพานเที่ยงคือมันเที่ยงมันไม่แปรปวนไม่แปรผันไปไหนแต่อย่างอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความบริสุทธ์นั้นเที่ยงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจริงไหมที่หลวงตาท่านพูด ก็ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติดูเอยอย่าไปเถียงท่านอย่าไปตามท่านที่ท่านพูดให้ปฏิบัติดูก่อนและยังค่อยเชื่อถ้าว่าเราเชื่อไปเลยก็จะว่าแบบเสนามักกีกาเหมือนกันนะนะเอ่พวกนั้นพวกเราอย่าเป็นอย่าเป็นเสนามักกีกาเอ่ทั้งฝ่ายทั้งโลกก็อย่าเป็นเสนามักกีกาเขาว่ายังไงก็ตามเขาฝ่ายธรรมมะก็เหมือนกันอย่าเป็นเสนามักีกา ให้นำมาประพฤติปฏิบัติดูก่อนถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้จริงจังแล้วนั่นละ่ะเราเป็นสมบัติของเราเองทีนี้ไม่ใช่สมบัติของใครเป็นสมบัติของเราต่างคนก็ต่างได้สมบัติเต็มในจิตในใจของพวกเราถ้าออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็ไปตามคติภูมิของตนเองถ้าว่าเราทำดีเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทํามาบุญมากกว่านั้นก็ไปเกิดสวรรค์ จิตใจภาวนาก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าว่าเราภาวนาจนได้สำเร็จพระโสดาสกทาคานาคาอรหรันเขาไปตามขั้นตอนของพวกเราแปลว่าพวกเราสเสาะแสวงหาคุณงามความดีสเสาะแสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจตามขั้นตอนแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจพวกเราไม่ได้สนใจพวกเราปล่อยปะละเลยไม่เชื่อในคุณงามความดีออกจากชาตินี้ไปแล้วนะตกต่ำ อาจจะเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าวัวควายจากนั้นก็เป็นเปรตตกนรกไปมากมายเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วตัวเองว่ามันไม่มีถึงสุดท้ายแล้วมันมีทำยังไงเพราะะนั้นพวกเราให้เชื่อบัณฑิตนักปราชญ์เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหลักเหตุผลนำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลที่พระพุทธองค์ได้แนะนาสั่งสอนจากนั้นก็นามาประพฤติปฏิบัติ ด้วยนะไม่ใช่ฟังเฉยๆวิเคราะห์เฉยๆนำมาประพุติปฏิบัติดูด้วยพอทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วพระทำหรือ ว, ว่าทำที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้รู้ได้เห็นได้ไม่ใช่ทมที่จะคาดคะเนเดาเดาเอาคาดคะเนเอาประมาณการเอาไม่ใช่ประมาณการยังไงก็ผิดทั้งเพ ไม่ใช่ว่าผู้ใดเรียนเรียนเรียนเรียนจบแล้วกับคุทนั้นไดสําเร็จเหมือนกับปริญญาตรีโทเอกไม่ใช่เอออันนั้นเป็นแผนที่เท่านั้นเองเมื่อเรียนแผนที่เสร็จแล้วลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบมันปล่อยวางที่ใจความรู้นะ่ะมันเหมือนสมองสมองเพียงรับรู้แต่ใจที่ไปใช้สมองตัวนั้นมันยังโง่อยู่เหมือนกับคนไปใช้คอมพิวเตอร์อย่างนั้นคอมพิวเตอร์มันก็รับรู้รับทรา บ, ร บ, ร บ, รบตามที่คนสั่ง แต่คนที่สั่งนะ่มันมีอะไรแฝงอยู่ในจิตในใจของผู้สั่งนะั้นมันไม่เอาออกหมดนะตัวนั้นอนะ่ะตัวที่มันคนสั่งนะั่นอ่ะตัวการสำคัญแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นะไม่อันนี้ก็เหมือนกันความจดความจำมันอยู่ในสมองแต่คนที่ใจลึกของหัวใจนะั้นมันไม่ อ, ออกมาหมดกนะคงจะไม่บันทึกในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคงจะไม่เอาออกมาทั้งหมดในคอมพิวเตอร์นะั้นกิเลสราคาตัสะที่มัน อยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยตัวเปิ่มๆ ม, มันคงจะไม่เอาออกมาคนคนนั้นก็คงจะเก็บไว้ในหัวใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพุทธศาสนาท่านสนใจเรื่องคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั้นละคนนั้นแหละสำคัญยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือสมองใจคือมาใช้คอมพิวเตอร์อีกที่หนึ่ง เพราะนั้นหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาดูแล้วสลับซับซ้อนนะแต่ก็เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาตอนนั้นเองจริงจะพิจารณาไตรตรองได้ดูเหตุและผลได้นะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเพราะเป็นวันนี้เป็นวันพระนาธนานชัตรายาโยมจึงได้มาพร้อมกันหลายคนอเพราะนั้นให้พวกเราสนใจนะอย่าประมาทนะ ชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอน่ะเนอะตูหนวดเอที่พวกพานําพวกเราไหว้พระกลับไปแล้วเออคิวต่อไปไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นหลวงพ่อก็ได้ เ, เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ถึงจะตายกันนี่แหละหลวงพ่อว่าตูหนวดนคงไปดีเพราะเหตุไรผู้เท่ากขารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์ จุดที่ผู้เท่าจะไปก็คงจะระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลของผู้เท่าก็คงจะมีมากทีเดียวละ่ะพอรักษาศีลไหว้พระปฏิบัติมานมนานพอสมควรจะทำยังไงได้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ไหลกันตามกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ละ่ะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทก็แล้วกัน อีกสักวันหนึ่งก็นั้นแหมวีซ่ามาถึงแล้วก็ส่งเดินทางต่างประเทศตามหลังกันไปเรื่อยๆรับวีซ่าแล้วก็ไปละแล้วไปเมืองนอกเราไปยังไงเถอะถ้าเรารับวีซ่าไปตกเมืองนอกนะไม่มีเงินนั่นละจุดนั้นแหละที่พวกเราหน้าคิดแต่ทีนี้กูไม่มีเงินสักหน่อยเงินขนาดนี้กูไม่พอใช้แน่แหมนั่นแหะจุดนั้นแหละว่างั้นเถอะเหตี่น้าคิดเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียม อ, อตั้งแต่บัดนี้แหละสั่งสมคุณงามความดีเออถึงข้าวคลาแล้วเหรอนี่ถึงข้าวฆ่าฆ่าก็จะต้องไปตามกติธรรมกติกรรมกติของโลกเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกเลี้หนีพ้นไปได้แล่ะมาถึงค่าแล้วเหรอก่าไปแล้ววะข้าวนี้่ออบุญกุศลของข่าเต็มเปี่ยมแล้วมั่นใจในตัวเองฮะงั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นต่ อ, ตอนนไปรับพรนะท่า น, นอนุโมทนาให้พร